4. ฉับภัษาสิกขาบท 37. ถามทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ใช้ให้ทำสันถัดทุกปีณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนากรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบ